อนาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ507 1ภิกษุเก็บหรือใช้ให้เก็บรัตนะหรือของที่สมมุติว่าเป็นรัตนาะในอารามหรือในที่พักแล้วเก็บรักษาไวา้ด้วยตั้งใจว่าเจ้าของจะรับคืนไป2ภิกษุถือวิสาสะเก็บของที่สมมติว่าเป็นรัตนะ3าภิกษุถือเอาไปเป็นของยืมสี 4. ภิกษุเข้าใจว่าเป็นของบังสุกุล5้ภิกษุวิกลจริต6กภิกษุต้นบัญญัติ รัตนศิขาบทที่สองจบ